ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่เจดเมื่อวานนี้ก็คุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนรวมไปถึงบทบาททางสังคมของพระภิกษุทางในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในสงฆ์และก็ในสังคมใหญ่ ทีนี้ในการสัมพันธ์กันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่จะมีความหมายมากก็คือภาพของพระในสายตาของประชาชนเพราะว่าเมื่อมีภาพอย่างไรแล้วมันก็โยงไปถึงบทบาทด้วยเขาก็คาดหวังจากภาพที่เขามีว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างนี้ทําหน้าที่อย่างงี้หรือว่าให้อะไรแก่เขาอย่างนั้นอย่างนั้นน แต่ว่าทีนี้การที่เขาคาดหวังและสร้างภาพอย่างนี้บางทีก็เกิดจากบทบาทของพระเองที่ทำทีนี้ก็เราก็ต้องโยงมาที่ว่าเอาแล้วบทบาทอะไรที่เป็นของแท้จริงของพระภาพอะไรที่เขาควรจะมีต่อพระสงค์โดยเฉพาะก็คือความหมายของการเป็นพระภิกษุนะั่อยู่ที่ไหนนะ อันนี้คนมองถึงพระสงฆ์รวมทั้งนักบวชทั่วไปเนี่ยก็มองในบทบาทหน้าที่แล้วก็เกิดภาพและความหมายหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณศาสนาต่างๆในอินเดียนี่มีหลากหลายแล้วก็ศาสนาโดยทั่วไปก็จะมีวิวัฒนาการซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่า จากวิวัฒนาการศาสนานี่ก็จะมีบทบาทของนักบวชเกิดขึ้นนักบวชก็ทำบทบาทที่เป็นไปตามแนวทางหรือว่าวัตถุประสงค์ของศาสนานั้นซึ่งหมายถึงความหมายของศาสนาต่อผู้คนหรือต่อมนุษย์เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าในความหมายหนึ่งนักบวชก็เป็นสื่อกลางระหว่าง เทพเจ้ากับมนุษยนะ์เป็นผู้ที่บอกความต้องการของเทพเจ้าหรือว่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล้นลับว่าทางพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องประสงค์อะไรนะี่แม้แต่ว่านักบวชอาจจะอ้างว่านี่พระผู้เป็นเจ้าท่านวางกฎเกณฑ์อย่างนี้นะท่านพึ่บๆแต่ปฏิบัติอย่างนี้เลยว่า ท่านต้องทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะโปรดถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษนี่ก็จะเห็นได้มากว่าในาศาสนาที่เป็นมาแต่โบราณนี้นักบวชจะมีบทบาทอย่างนี้ก็เลยเกิดความหมายว่านักบวชนั้นเป็นสื่อกลางระหว่างเท พ, พเจ้าหรือสวรรค์กับโลกมนุษย์นะก็เลยเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นตัวแทนเท พ, พเจ้าไปนะ อทีนี้อีกความหมายหนึ่งนักบวชยังฤาษีชีพไพลเนี่ยเป็นผู้ที่ปรีกตัวออกจากสังคมสละละทิ้งหมดทุกอย่างนไม่เอาอะไรแล้วทรัพย์สินเงินทองพระเบื่อวัตถุเบื่อสังคมก็ไปอยู่กับเรื่องของการหาคุณค่าทางจิตใจเนเรื่องความสุขเรื่องของความสงบ ก็จะมีภาพของนักบวชเป็นพวกที่ปลีกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนและก็อีกอันหนึ่งเอามา ก, กี้ข้ามาไปก็คือในเมื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับประชาชนแล้วนักบวชก็เลยเป็นผู้ที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนในการที่ว่า จะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการโดยการทำพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็เกิดความหมายของนักบวชอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบพิธีใช่ไหมประกอบพิธีเนี่ยอะไรล่ะมันก็มีตัวฐานที่ลึกลงไปก็คือว่ามีอำนาจเล่นลับเทพเจ้าที่จะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์โดยผ่านพิธีกรรมเช่นการบูชายัญพรามนักบวชก็เป็นผู้ทาพิธีบูชายัญให้ใช่หม แล้ก็เลยเด่นในเรื่องความเป็นนักประกอบพิธีก็จะเห็นได้มากเลยว่านักบวชนี่มีความหมายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม น, นีอ้าวแล้วนอกจากนั้นก็พนักบวชนี่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการที่ได้มาบําเพ็ญเพียรทางจิตได้ประสบความสําเร็จนีได้เข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้ง อำนาจเล้นลับต่างๆเอาออกมาใช้ได้เกิดพลังจิตเลยเป็นผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหารก็กลายเป็นผู้วิเศษคนก็จะมองว่านักบวชนี่โอ้เป็นผู้วิเศษเน่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีปาฏิหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งหรือไม่งั้นก็เป็นสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถ้าเขาไปแล้วก็จะไปหวังผลประโยชน์หวังลาบหวังความสาเร็จรายได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นความคาดหวังของคนอีก yeah. ภาพเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีทั่วไปในเวลามองนักบวชซึ่งเข้ามาในการมองพระในพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าผู้คนนี่มีความเข้าใจต่อศสาสนาในความหมายต่างๆแบบที่ว่ามาแล้ว แม้มานับถือพุทธศาสนาความเข้าใจแบบนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้เรามาดูว่าแล้วความหมายไหนที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าต้องการนี่ความหมายที่ว่ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปหมดก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ นำให้คนเนี่ยหันมาสนใจอะไรอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ใช่ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเขานะอาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นสื่อที่จะนำคนออกไปไปหาสิ่งที่ประณีตลึกซึ่งยิ่งขึ้นแต่จุดเนี้ยที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยไม่แน่ว่าจะนำไปได้หรือเปล่าแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ในตัวบ้างเช่น การที่ถือว่านักบวชนี่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกแห่งรู ป, ปรธรรมกับโลกแห่งนามรธรรมที่มองไม่เห็นแต่นามรธรรมในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่มีอํานาจเร้นลับมากกว่าไม่ใช่นามรธรรมในความหมายของคุณธรรมความดีงามอันนั้นจะเป็นตัวที่ว่าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาเรียกร้องเอาทีนี้ถ้านักบวชเป็นคนดีก็จะไปอ้างอํานาจลึกลับอํานาจยิ่งใหญ่ของเทพเจ้ามา เราต้องการให้สังคมนี้ประพฤติดีงามเรียกว่ามีศีลธรรมหรือจริยธรรมก็เลยมาเรียกร้องจากสังคมว่าเนี่ยพระพุทธ เ, เจ้าเทพเจ้าท่านมีอำนาจดนบันดาล น, นะนะท่านจะต้องประพฤติให้ดีเว้นจากความชั่วถ้าท่านเว้นจากความชั่วแล้วพระพุทธ เ, เจ้าก็จะโปรดอะแต่ประพฤติดีตามคำสอนของพระองค์ถ้าท่านละเมิดแล้วก็พระพุทธ เ, เจ้าก็จะพิโรธเนี่ยจะลงโทษเอาก็สามารถตั้งข้อกำหนดเรียกร้องทางศีลธรรมได้จากอำนาจเลนลับนี้ ก็ศาสนาก็จะมาช่วยของเนี้ยที่ว่าเป็นสื่อดึงไปสู่ ส, สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยเมื่อคนมาหานักบวช ด, ด้วยการที่มีความเข้าใจถึงว่ามีอํานาจเล้นลับที่นักบวชนี่เป็นสื่อกลางหรือแม้แต่ตัวนักบวชนี่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้วิเศษเนี่ยนีมันได้อันหนึ่งก็คือเขามีทุกมีร้อนมีภัยอันตรายมีความหวาดกลัวนะมีความกลุ่มกังวลอะไรต่างๆ ก็มาแล้วก็ได้สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใช่ไหมใจก็สบายหายทุกข์หายร้อนหรือเบาบางนอนไม่หลับก็กลับเป็นนอนหลับดีขึ้นก็ได้สิ่งที่กล่อมใจไปซึ่งกล่อมใจนี้ก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรคนนอนไม่หลับก็ต้องอาศัยยาช่วยยานั่นก็มีประโยชน์แต่ก็ในการที่เขาอาศัยสิ่งช่วยพวกสิ่งกล่อมหรือสิ่งปลอบประโลมใจนี้เขาอาจจะต้องจ่าย อย่างที่เรียกว่าบางทีไม่คุ้มใช่ไหมจ่ายบางทีมันหนักเกินไปนะแต่สิ่งที่เขาแลกเพื่อให้ได้มานี่คืออะไรนะอันนี้ถ้าหากว่าคนนอนไม่หลับมีทุกข์จิตใจวุ่นวายแย่แน่แน่ได้ยานอนหลับก็สบายก็มีกำลังขึ้นมาพร้อมจะเดินหน้าแต่ถ้าติดอยู่กับยากรมก็แย่ นี่ปัญหาว่าทำยังไงจะให้เขาได้ประโยชน์จากยากล่อมนี้เพียงเป็นจุดช่วยให้ได้พักผ่อนมีกำลังสดชื่นแล้วเดินหน้าต่อไม่มาติดไม่มาจมอยู่จุดนี้ที่สำคัญนี่เรื่องของศาสนาในประเภทที่ว่ามาแล้วที่ว่านักบวชเป็นสื่อกับสิ่งที่มีอำนาจเรีนรับ ที่จะช่วยเหลือเขาได้อะไรต่างทำให้เขาเกิดความหวังปลอบประมใจเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามาจ่ายเพื่ออันนี้เนเขาได้ไปอันหนึ่งจริงก็คือความสบายใจแต่ว่าทำให้เขาเนี่ยมาจมอยู่ก็คือหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวเองก็ไม่พัฒนาแล้วทีนีน้ก็อยู่แค่นั้นแหละทีนี้ไม่ได้พัฒนาแล้ว อันนี้มันจะกลายเป็นการจ่ายหรือการแลกเปลี่ยนที่ว่าไม่คุมสูญเสียมากกว่าได้ตกอยู่ในความประมาทตัวเองก็ไม่คิดทำอะไรไม่แก้ไขไม่มาหาทางแก้ปัญหาไม่สู้ปัญหาก็อ่อนแอลงนะแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาต น, นตอันนี้ปัญหายัางอื่นก็ตามมาใช่ว่า 1. ก็คือชีวิตส่วนตัวเองไม่พัฒนา 2. ก็คนก็เอาใจใส่หันไปมองความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอานาจลิขับที่อยู่ภายนอกไม่มาสนใจในหมู่ผู้คนด้วยกันเองว่าจะมาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะมันก็เสียทั้งชีวิตและสังคมอันนี้ถ้าหากว่าคนนั้นหนึ่งมีความเข้มแข็งสันหน่อยสู้ แล้วหาทางแก้ปัญหาอาจจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเขาได้ยนรู้เราจะพัฒนาตนไปได้โดยไม่จําเป็นต้องมาพึ่งสิ่งกลอ่องหรือถ้าเขาไม่แข็งแรงพอแต่นักบดมีดีมีความปรารถนาดีและมีปัญญาคือเจตนาก็ดีต่อเขามีเมตตาแล้วก็มีปัญญารู้รู้ความจริงรู้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งกว่า น, นั้นก็จะอาศัยการที่เขาเข้ามาหาเนี่ย แล้วก็เลยชักนําเขาสู่สิ่งที่สูงขึ้นไปในแง่นี้แล้วแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็อาจจะใช้เป็นเทคนิคในการที่ว่าเพราะคนเขายังอ่อนแอมาหวังพึ่งเขาได้ความปลอดประโลมใจแล้วแต่ว่าไม่ให้เขาจมอยู่แค่นั้นก็แนะนานาทางให้ปัญญาเป็นต้นให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้ก็ยังเป็นบันไดที่ดีงาม นะแต่นี้ปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่ามาทำให้จมอยู่ตรงนั้นนะคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็หวังพึ่งแล้วก็เลยพอกล่อมใจได้สบายก็หยุดแล้วก็รอคอยผลนะตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนไม่แก้ไขปรับปรุงเพราะนั้นการลงทุนนี้อาจจะไม่คุ้มนะ ถ้ามองในแง่สังคมแล้วก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมากด้วยทนะํามนุษย์สังคมส่วนใหญ่มาหวังพึ่งอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมได้ไม่คุ้มเสียว่าะงั้นแตนะ่ได้แค่ปลอบประโลมใจสบายใจไปนะอยู่ได้ความหวังมากขึ้นแต่ไอความหวังนี้ก็มากล่อมตัวเองนะทําให้ไม่ได้พัฒนาตกอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้ามีความเข้มแข็งทนสู้มันจะทุกข์ตอนนี้หน่อยแต่ว่ามันผ่านไปได้แล้วมันได้เรียนรู้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็จะเดินหน้าไปได้ทีนี้ว่าพุทธศาสนาต้องการยังไงเราต้องการความหมายของพระสงฆ์บทบาทอะไรที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วบทบาทของนักบวญเหล่านี้พรามนี่ชัดเจนเป็นผู้บูชา ย, ยันใช่ไ ก็ทำให้คนเหล่านี้มีความหวังหวังพึ่งเทพเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระอะไรนี่ท่านคงจะมาช่วยใช่ก็หาเครื่องเส้นไปก็เป็นทางหาผลประโยชน์ของพรามด้วยพรามก็บอกสิทีนี้เทพเจ้าองค์นี้นะเก่งในทางบรรดา น, นี้นะองนี้เก่งทางลาบองนี้เก่งทางยศตำแหน่งองค์นี้เก่งทางคู่ครองอะไรนี่นะ แล้วก็เท พ, เ, Shot, พเจ้าองค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้องค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้นะอ้าวแล้วจะไปทำเองยังไงเราไม่รู <amente> 是是้ใช mm ่ก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญคือพรามสิพรามท่านจะได้จัดให้ใช่คนก็ต้องมาหาพรามพรามก็จัดพิธีทีนก็ได้ตังค์เยอะใช่เนี่ยกลายเป็นระบบผลประโยชน์ขึ้นมาเกิดผลเสียแก่สังคมได้แง่ต่างๆแล้วคนก็เลยจมอยู่กับไอ การหวังพึ่งอยู่กับสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมอารมใจได้สุขแต่ว่าลงทุนมันสูญเสียมากไม่คุ้มเพราะว่ามันขัดขวางการพัฒนาชีวิตและสังคมหมดเลยสภาพยอย่างนี้ก็เป็นเด่นในสังคมอินเดียพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นก็จึงได้มาดึงคนจากเทพสู่ธรรมใชม่ซึ่งเราจะได้อธิบายกันต่อไป อันนี้ก็ให้มาอยู่กับความเป็นจริงของความเป็นเหตุเป็นผลกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัใจจัยในธรรมชาติแล้วให้ใช้ปัญญาศึกษามันอาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เหมือนง่ายๆไปหาพราหมณ์อก็โยนภาระไปเลยพอไปหาพราหมณ์เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะใช่ไหมมันก็คนมันก็สบายก็ชอบนีตัวเองไม่ต้องทําอะไรนะเออยกภาระไปให้พรามพรามจัดการให้เอง ปจัดเครื่องเส้นทำพิธีบูชายันมานนอนฝันสบายนะยก็แต่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรอย่างแท้จริงไม่เป็นสาระนี่พระเศาสนาเกิดขึ้นมาก็วางหลักของความวางหลักโดยถือว่าความจริงอยู่ในธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยเป็นไปนตามธรรมดามนุษย์ต้องการผลเนี่ยต้องทำเหตุ การที่จะทําเหตุได้ดีขึ้นได้ผลดีก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจเหตุปัจจัยต้องศึกษาการศึกษาการพัฒนาตนการเรียนรู้ฝึกตนนี่เป็นเรื่องสําคัญของชีวิตของเราที่จะทําให้ชีวิตดีงามมีแก่นสารอย่างแท้จริงนะได้สิ่งที่เป็นสาระได้จริงๆไม่ใช่ได้เพียงสิ่งกล่อมเพื่อให้สบายใจไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อดทนเอาหน่อ ย, อยต้องเข้มแข็งนะอันนั้นพระพุทธเจ้าต้องปลูกใจคน เพราะว่าคนนี่มันมีความโน้มเอียงจะอ่อนแอตามใจตัวเอาง่ายๆใช่ไหมอันนี้คนที่จะมาฝึกตนพัฒนาตนนี่มันต้องเข้มแข็งมันต้องสู้เพราะฉะนั้นมันยากหน่อยเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเริ่มใช้ปัญญาต้องคิดพอเจอปัญหาแล้วจะคิดแก้ไขยังไงสืบสาหวหาเหตุปัจจัยมันยากนะไม่เหมือนอย่างเจอปัญหาแล้วโยนปัญหาไปให้เทวดาแก้งี้มันสบายกว่าใช่ไหมเออ พระพุทธเจ้าก็มาปลูกใจคนว่าท่านต้องมีความเข้มแข็งนะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราจะมีชีวิตที่ดีงามนี่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาต้นปลูกใจกันหนักเลยพระพุทธเจ้าต้องเอาพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีต้องทําความดีอย่างนั้นทําคุณธรรมอย่างสูงสุดอย่างที่ไม่มีใครทําได้โอ้โหต้องเข้มแข็งกันจริงๆต้องปลูกใจอย่างหนักเลยขนาดปลูกใจอ ย, อย่างนี้ชาวพุทธยังถอยเลยเดี๋ยวเอาพระพุทธเจ้ามา ขอหวังลาบหวังผลไปขอหวยซิกแล้วเ น, นี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคนมันมีความโน้มเอียงที่จะอ่อนลงเรื่อยนะตามใจตัวเองชอบให้เขามาเอาอะไรกล่อมสบายที่นี่ลทัทธิกล่อมก็อยู่ได้เลยที่นี้ว่าพระของเราเนี่เกิดท่ามกลางสภาพอย่างนี้ก็เหมือนทวนกระแสแล้วนะพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างภาพใหม่ความหมายใหม่ให้กับพระสงฆ์วันนี้ความหมายบางอย่างก็เอาเข้ามาได้บ้างในบางแง่นั้นเราจะเห็นว่า ภาพพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความหมายบางอย่างของเดิมติดมาเช่นความเป็นผู้สลัใช่ไหมสละวัตถุสล ะ, สละทรัพย์สินสิ่งของสละเย่าเรือนอันนี้ก็มีความหมายอย่ันดิอยู่แล้วพยายามเป็นผู้ไมผ่ผยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้ไปถึงความหมายเดิมของเขาที่ว่าตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไม่ เ, เรื่องอะไกับใครอันนี้พระพุทธศาสนาไม่เอาอย่างที่อธิบายไปแล้วในครั้งก่อนนะอันนี้ อะไรละภาพที่ต้องการเ <Yeah. S 1> พราะพระุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งอย่างในหลักที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ ok ก็ชัดโอวาทปาติโมกข์ ok ก็ที่ถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่แสดงในวันมาคาบูชาก็จะมีลักษณะของบรรพชิตืุศมณะด้วยที่บอกว่าน ขันติปรมังตโปตีติขานิพานังปรมังวทันติพุทธาเนี่ยประกาศหลักกายพุทธศาสนาเสร็จก็บอกนหิปัปพชิโตปา ร, รูปรคาตีผู้ที่ทําร้ายคนอื่นไม่เชื่อบรรพชิตสมโนโหติป ร, รังวิเหทยันโตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสมณนะนี่ใช่ไหมนี่ลักษณะของบรรพชิตความหมายของการเป็นบนรรพชิตและเป็นสมณนะสมณะก็เป็นผู้สงบไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายใคร ภาพพระอย่างหนึ่งที่ได้คือสั ญ, ญลักษณ์ของความปลอดภัยนะหรือสั ญ, ญลักษณ์ของความไม่มีภัยเห็นพระที่ไหนปลอดภัยที่นั่นอันนี้เป็นภาพที่มีมาในสังคมไทยสร้างได้สําเร็จพอสมควรถ้าเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจเลยความไม่มีภัยนี่มันเกิดความรู้สึกมั่นคงใช่ไหมไออย่างของฝรั่งนี่เขาชอบนัก securities เนี่ย <c oughs> นีคือถือเป็นสัพท์สําคัญเลยนะ ถ้าเห็นพระแล้วรู้สึกเลยมีความเกษมสับว่า security นี่ที่จริงต้องแปลว่าเกษมเราแปลกันว่าความมั่นคงความจริงไม่ได้สับไม่ได้ความหมายที่แท้ของฝรั่งสับแท้ว่าเกษมเกษมนี่มันยิ่งกับปลอดภยัยของฝรั่ง security มันลักษณะที่ไม่มีภยัยแต่มันมีไอ้ความรู้สึกที่มันมันปลอดโปร่งโล่งด้วยใช่ไหมไม่มีภัยเข้ามาถึงเหมือนคนที่ว่า อยู่ในน้ำว่ายน้ําอยู่ก็มีจระเข้กลัวอยู่ใช่ไหมแต่ตัวก็ว่ายเก่งก็อาจจะปลอดภยัยแต่เมื่ อ, อไรขึ้นฝั่งยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมใช่ไหมอยู่ในน้นํานี่อาจจะเก่งอะไรต่ออะไรปลอดภัยได้แต่ปลอดภัยไม่พอถ้าขึ้นยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมภาวะอย่างนี้อันนี้พระนี้เป็นเครื่องหมายของความไม่มีภยัย เป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจนี่เป็นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นการสร้างสภาพจิตที่ดีแล้วเป็นความหมายต่อสังคมไปด้วยเพื่อเป็นการนำทางสังคมไปสู่สังคมที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีเวรเพลนียเพราะนั้นพระเป็นผู้นำเห็นพระแล้วมีความรู้สึกปลอดภัยในสังคมไทยจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนั้นประชาชนชาวบ้านเดินทางไปไหนเห็นพระก็รู้สึกเป็นสิริมงคล ไม่เกยเครื่องหมายความปลอดภัยเข้าไปในป่าแล้วนี่ไม่รู้โจรผู้ร้ายจะดักซุ่มอยู่ยังไงแต่พอไปเจอเขา้าเจอพระเข้าสบายใจที่นี่ไม่มีภัยแล้วลงนั่งยองๆ ย, ยกมือท่วมหัวมีความสบายใจปลุงใจปลื้มใจนะฮะนี่ความสุขเกิดขึ้นมาอันนั้นอันหนึ่งก็คือสั ญ, ญลักษณ์ความไม่มีภยัยทีนี้พอไม่มีภัยแล้วจิตก็พร้อมและปล่งลง อันนก็ที่พูดไปแล้วก็การสร้างภาษาธรเห็นพระแล้วชื่นใจใช่ไหมมีจิตใจผ่องใสเกิดภาษาทรรมทจิตใจให้เป็นกุศลพอสร้างสภาพจิตอย่างนี้แล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะเดินหน้าแหละเข้าถึงความดีงามตอนนี้ก็อย่างที่ว่าก็เป็นจุดที่จะมาสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มาเข้าหากันแล้วก็พระจะได้แสดงธรรมนาไปในทางของปัญญาหาทางแก้ปัญหาชีวิตทําให้เรียนรู้ รวมพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาได้ปัญญาต่อไปก็ได้คุณค่าทั้งจิตใจและปัญญานำไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะได้นำไปสู่บทบาทของพระในการบำเพ็ญธรรมทานนั้นบทบาทของพระในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายที่สำคัญในเชิงนี้ซึ่งไม่มาติดอยู่กับความหมายเป็นผู้พิเศษเป็นผู้มีฤทธิ์ปฏิหาร ทั้งทาที่ความหมายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายแต่ว่ามันอย่างที่ว่าแล้วมันได้แค่ระดับหนึ่งอันนี้ทำให้เขามาฝากความหวังพึ่งไว้เมื่อเจอกับพระแล้วเนี่ยได้ความปลอดโปร่งลงใจสำหรับตัวเองแต่พร้อมกับ น, นั้นก็หวังพึงเป็นจิตที่ผูกไม่เป็นอิสระแต่ว่าการที่ทำให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยผ่องใสนั้นเป็นคุณคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวเขาเอง แล้วตอบไปให้มีปัญญาเป็นอิสระของตัวเองพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนมาจมอยู่พระนั้นมันเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งขั้นนี้ที่เราสร้างกันมาในสังคมไทยก็ได้สําเร็จพอสมควรแต่คราว น, นี้เวลานี้สังคมไทยกําลังถอยกลับกําลังมองพระนี่เป็นสื่อของอํานาจเร้นลับเป็นผู้วิเศษเป็นสิ่งที่จะเข้าไปหวังพึ่งเป็นที่ที่จะให้สิ่งกล่อมใจให้ความหวังแล้วก็ปลอบประโลมใจ แล้วก็อยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนเองก็เข้าสู่หลักลัทธิลักษณะของศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลดเปื้องถอนออกมาเนพราะฉะ น, นั้นถ้าหากว่าพระเราไม่สามารถจะแก้ไขนําเข้าสู่หลักการพุทธศาสนาได้ก็พุทธศาสนาก็เสื่อมนั่นเองคือมีแต่ชื่อตัวหลักการไม่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนาศาสนาเก่าๆทั้งหลาย แล้วคนก็จับหลักไม่ถูกแม้แต่พระสงฆ์เองก็จับหลักไม่ถูกว่าบทบาทของตัวเองอยู่ที่ไหนนะีบทบาทก็โยงไปสู่การที่ตัวเองมีหน้าที่บทบาทมีความหมายอย่างไรต่อสังคมภาพของตัวเองอย่างไรนะีตัวเองเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอะไรก็เอาเป็นว่าพระสง์นี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความไม่มีภยัยแล้วก็เป็นสื่อนํามาซึ่งประสาถ้านะแล้วก็นําไปสู่ไตรสิกขา เมื่อได้อย่างนี้แล้วพอเขามีจิตใจผ่องใสก็พระสงฆ์นั้นก็เป็นแบบอย่างของชีวิตแห่งการพัฒนาตนใช่ไหมหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภยัยนะทำให้จิตเขาเกิดความผ่องใสโล่งพร้อมที่จะรับกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่บำเพ็ญใจศกขาที่จเจริญงอกงามในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง แล้วก็จะได้ชักนําเขาจเจริญยิ่งขึ้นไปในใจสิกขาด้วยใช่ไหมนี่ก็คือภาพที่ต้องการแล้วทําไงจะไปถึงจุดหมายนี้ก็คือว่าไอ้ที่มาเจอกันไม่มีภยัยเสร็จแล้วจิตใจโปรงใสเป้าหมายไปอยู่ที่ว่าจะได้ชักนําเขาจเจริญในใจสิกขาเช่นให้เกิดปัญญาขึ้นก็มาให้ทำ ม, มีธรรมทานเป็นต้นถ้าทําได้อย่างนี้ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นไม่ใช่มาหวังพึ่งอยู่กับตัวพระ ถ้าเป็นศาสนาโบราณก็มาอยู่กับตัวพระเนี่ยหวังให้ท่านช่วยบรรดาลในตใจให้หรือเป็นสื่อไปถึงอำนาจเล่นลับไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามาช่วยบรรดาลให้บอกความต้องการของเขาอะไรเงี้ยก็ไปหวังพึ่งโยงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นอิสระสักทีแต่พอเราปฏิบัติ ต, ตามหลักการพุทธศาสนาคนก็เป็นอิสระของเขานีก็เดินทางของเขาได้พัฒนาต่อไปอันนี้มาดูศับบ้าง นะคําว่าภิกษุเพราะว่านักบวชในพุทธศาสนานี่เรามีชื่อเรียกว่าภิกษุบางครั้งก็ใช้สมณะบางครั้งก็ใช้มุนีอะไรต่างๆบางศัพท์ก็จะสงวนไว้ใช้ในระดับที่ว่าเป็นผู้บําเพ็ญกิจในใจสิกขาได้พัฒนาไปมากอย่างมุนีอย่างนี้นะแต่มุนีในความหมายเดิมของเขาบางทีนอกศาสนาก็หมายผู้นิ่ง นักบวชบางศาสนาก็รูปแบบไม่พูดไม่จากระคานั่งนิ่งอย่านีเป็นมุนีพระพุทธเจ้าบอกว่าไอคามความเป็นมุนีมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นผู้นั่งนิ่งเหมือนกันมันอยู่ที่ความมีปัญญารู้เข้าใจความจริงกับสิ่งต่างๆรู้เท่าทันแล้วทําให้วางใจจิตใจสงบใช่ไหมมันนิ่งได้จิตใจที่สงบน่ยมั่นคงทีนี้ความเป็นภิกษุเนี่ยเอาสับภิกษุ ก็มีความหมายตามรูปศัพท์หลายอย่างเช่นง่ายๆภิกษุแปลว่าผู้ขอเนี่ยเป็นความหมายพื้นๆเพราะว่าภิกขุจะเป็นรากศัพท์เดียวกันกับพิกขาเคยได้ยินไหมพิกขาจานนะฮะพิกขาจารย์ก็ไปขอพิกษาพิกษาก็คืออาหารภิกษาภิกษุพิกขาภิกขุนะฮะก็เลยพิกษุก็เลยเป็นผู้ขอในความหมายง่ายๆพื้นๆเป็นรูปแบบ เป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตของพระภิกษุมองแค่นี้ก็เป็นภิกษุแต่ถ้ามองอย่างนี้มากไปก็จะกลายเป็นว่าโอ้เลยบทบาทของพระอยู่ที่การขอสิทีนี้นะ่ะถ้าจะไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาระละนะเป็นเพียงว่าเรื่องของความหมายตามพยัญชนะตามตัว อ, อักษรก็ท่านก็ให้ความหมายต่อไปอีกแม้โดยพยัญชนะเช่นว่าภิกษุปแปลผู้เห็นภายในสังขารประมาณนั้น ผู้เห็นภายในสังขารก็เป็นความหมายลึกเข้าไปหน่อยใช่ไหมว่าโอ้ภิกษุนี่เห็นภายในสังขารแล้วพยายามที่จะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นไปจากสังขารไปสู่วิสังขารเนอ๋อมีอีกศรรัพท์หนึ่งที่ยังฝูนอยู่ฝ่ายรู ป, ปธรรมคล้ายๆกับภิกขาคือชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทรง หรือคลองผ้าที่ขาดขาดวินวินก็หมายความว่าเดิมนี่พระนี่ท่านใช้บางสกุลจีวรอย่างที่เคยเล่าไปเที่ยวเก็บเอาของที่เขาทิ้งอะไรต่างๆเป็นเศษเป็นชิ้นมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรเพราะนั้นผ้าของท่านนี่ก็เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะ ก็เป็นเศษผ้านั่นเองเพอจา ะ, ะนั้นอันที่หนึ่งนี่พูดไปในแง่ของอาหารปัจจัยสีข่ข้อข้ออาหารก็ภิกษุเป็นผู้ขอนี้มองในแง่ของเครื่องนุงหม่มภิกษุเป็นผู้ทรงไว้หรือคลองผ้าที่ขาดขา ด, ขดวิ่น ว, นวินเป็นเศษอทีนี้มาในแง่านามธรรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นผู้สังขาเรและพยังอิคตีติภิกขุเป็นผู้มองเห็นภายในสังขาร แล้วอีกอย่างหนึ่งแปลว่าพิกษชชื่อว่าพิกษุกเพราะเป็นผู้ทําลายกิเลสเอา น, นี่นี่สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าพิกขูนี่มาจากพิทธาธาต์แปลว่าทําลายก็ได้แปลผู้ทําลายกิเลสเนี่ยความหมายก็ลึกซึ้งนี่เป็นความหมายตามรูปศัพท์ก็คือต้องบําเพ็ญใจิกขาจึงทําลายกิเลสได้อันนี้เป็นเพียงเอามาเล่าประกอบความรู้นีย ก็เป็นรูปแบบขึ้นมาภิกษุก็ถ้าว่าตามความจํากัดความในทางวินัยก็คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทแน่นี่ว่าขั้นชั้นนึงต้องเข้าสู่สังฆกรรมโดยที่ที่ประชุมสงฆ์ได้มีมติยอมรับเข้ามาใช่ไหมนี่ก็หมายความภิกษุก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทแล้วนั่นเองนีความหมายตามวินัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบเป็นภิกษุกที่มาอยู่ในสงฆ์เป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ อย่างที่เราเรียกว่าสมมติส่งแต่ทีนี้พระเอาเข้าจริงๆความเป็นภิกษุก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่ารูปแบบที่ว่าห่มเหลืองปลงศรีรษะปลงผม เ, เรียกว่าโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นก็ยังไม่ชื่อเป็นภิกษุในความหมายที่เป็นเนื้อหาสาระก็มีต่อไปอีกถ้าตามวินัยแล้วก็ต้องว่าไปตามรูปแบบเคร่งครัดนะต้องได้อุปสมบทแล้วนี่ถ้าจะเอากันทางเรื่องของสังคม บทบัญญัติกติกาเรื่องวินัยเรื่องเช่นการลงโทษอะไรต่างๆนี้ต้องว่าไปตามรูปแบบเอาคำจำกัดความว่าผู้อุปสมบทแล้วทีนี้เอาสาระพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเตือนว่าความเป็นพระภิกษุมันไม่ได้อยู่ที่มาโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นนะมันอยู่ที่การปฏิบัติตามหลักการใช่ไหมการบาเพ็ญใจศีก ข, ขาโดยเฉพาะก็คือว่าการที่ได้ประพฤติห่างไกลาจากการเบียดเบียนอย่างที่ว่า เพราะนั้นจึงมีพุทธภาษีบทหนึ่งเป็นคาถาธรรมบทนะตัดให้ความหมายเชิงสาระบอกอลังกโตเจปิสมัญจรรยะเนะี่ยเป็นตน้นบอกว่าแม้จะแต่งตัวได้เสื้อผ้าอาภรณ์เนะี่ยแต่หากประพฤติสงบนะสันโตทันโตนิยโตพรมจารี บอวเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้แน่วแน่ต่อมันคาแห่งชีวิตที่ดีงามเป็นผู้ประพฤติบำเพ็ญอยู่ในชีวิตอันประเสริฐนะเป็นผู้วางอาตยาแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายความไม่เป็นผู้เบียดเบียนใครจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิน้นว่าอย่างนั้นเอานี่อีกเนี่ยนี่เอาสาระเลยนะ บอกถึงไม่พระบบมาบวชเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยแต่งตัวแต่งกายประดับมีเสื้อผ้าอาภรณ์นี่แหละแต่ถ้าเขามีจิตใจอย่างนี้ประพฤติตัวอย่างนี้แล้วจะเรียกเขาเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าจะไปพูดสอนพราหมณ์เยอะบ่าความเป็นพราหมณ์ไม่ใช่กเกิดในวันนะพราหมณ์เหมือนกันไม่เป็นพราหมณ์ในชาติกําเนิด ความเป็นพรามไม่ใช่มาถือวัดข้อปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างของพรามณ์ที่บัญญัติกันไว้ความเป็นพราหมณ์นั้นอยู่ที่การที่ละกิเลสกําจัดสิ่งชั่วร้ายในตัวได้แล้วใช่ไหมพรามเขาถือว่าพราหมณ์นี่เป็นผู้ลอยบาปแล้วใช่ไหมฮะเขาลอยบาปเขาก็ไปลงแม่น้ําคงคาสินีเดี๋ยวนี้ก็ยังลงกันอยู่เานี่ยแม่น้ำคงคานี่ถือเป็นแมา่น้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปอินเดียสิไปที่พาราณสี พวกอินเดียก็ยังลงไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาเขาถือว่าลอยบาปนะไปชําระบาปพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าท่านลงไปแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วบาปมันลอยไปได้นี่เต่าปลามันคงหมดบาปไปก่อนท่านว่างั้นใช่มพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าไอการลอยบาปไม่ใช่มันลอยในแม่น้ําอย่างนี้มันลอยได้น้ําน้ําน้ําแห่งธรรมะก็คือการที่ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ ขัดกล่าวกิเลส ข, ของตัวเองนะก็พระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายของการลอยบาปสมัยไม่ใช่เป็นลอยบาปในน้ําในแม่น้ำํำคงคาแต่หมายถึงลอยบาปด้วยการที่กําจัดออกไปจากตัวเองนะให้มันหมดไปชําระมันออกไปเสียพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกพระอรหันต์เป็นพรามณ์เพื่อจะไปสร้างความหมายในทางเชิงสาระไม่เอาแค่รูปแบบนะเพราะพรามณ์เขาถือว่าต้องเกิดใน วันนะพรามณ์ต้องปฏิบัติตามข้อวัดอะไรตามระเบียบแบบแผนของวันณนะของเขาอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ไม่เป็นพรามณเพระาะใช้กําเนิดละเป็นพรามเพราะกรรมตกลงว่าเรื่องนี้ก็มีหลายขั้นหลายความหมายนะสิ่งที่แท้ที่ต้องการก็คือเนื้อหาสาระแต่เนื้อหาสาระนี้จะดํารงอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วจะเข้าถึงได้ยังไงทําไงเมื่อ เข้าถึงสาระเข้าถึงความจริงแล้วจะรักษาสาระรักษาความจริงแห่งสัจธรรมนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสัจธรรมทรงรู้เกิดปัญญาขึ้นอา้าวรู้แล้วก็ทำไงจะรักษาความจริงที่ตรัสรู้ไว้ได้สร้างรูปแบบขึ้นมาห่อหุ้มเอาไว้ใช่ไมรูปแบบก็มีประโยชน์สิคณะสงฆ์ความเป็นภิกษุกับชีวิตภิกษุ ก็จะได้ห่อหุ้มรักษาสาระที่พระองค์เข้าถึงอันนี้ไว้แต่แล้นสองนอกจากว่ารักษาไว้ได้ทำไงจะสื่อให้ความจรงิงสาระที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนกว้างขวางออกไปก็ต้องอาศัยรูปแบบอีกดัะนั้นการมีสังฆมีพระภิกษุขึ้นมามีชีวิตนักบวชก็เพื่อจะได้มาสื่ออันนี้ออกไปไม่ใช่ว่าเอาแต่สาระอย่างเดียวอีกบางคนก็บอกจะเอาแต่สาระอีกก็ไม่ถูกพระพุทธศาสนา ถือว่าสําคัญทั้งคูนะ่สาระจะอยู่ได้ดํารงอยู่รักษาไว้ได้และจะได้รับการสื่อออกไปเป็นประโยชน์กับผู้คนมากก็ได้อาศัยรูปแบบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีรูปแบบไปช่วยแต่รูปแบบที่ไม่มีสาระก็เป็นโมฆะไรประโยชน์ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดเน้น เอื้อต่อ ก, กันแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระส่วนรูปแบบนี้ก็มาช่วยเพื่อจะรักษาสาระนั้นให้คงอยู่ได้ยั่งยืนพร้อมทั้งสื่อออกไปให้เป็นประโยชน์แก่คนจํานวนมากอย่างได้ผลอัน mm. นั้นก็พระภิกษุนี่ก็ทําหน้าทีว่าตัวเองจะต้องพยายามเข้าถึงสาระพร้อมกันนั้นก็เป็นรูปแบบที่ดีที่ได้ผลด้วย จะได้สามารถรักษาสาระพร้อมทั้งสื่อสาระให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จํานวนมากนะอันนี้มันก็เลยเข้าหลักใหญ่เรื่องสาระก็เป็นเรื่องธรรมะรูปแบบก็เป็นเรื่องวินัยซึ่งเป็นหลักการใหญ่พุทธศาสนาทั้งสองอย่างขาดไปได้ด้วยกันทั้งคู่ทำอะไราหมดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าหมดพุทธศาสนาคือตัวพุทธศาสนาที่แท้ก็อยู่ในธรรมะแหละแต่ว่าในรูปสถาบันหรือในรูปที่ เป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยมันจะไม่อยู่แหละในระดับสังคมนี่อยู่มีแตธรรมะนี่มันอยู่ไม่ได้ละนมันต้องมีรูปแบบมาช่วยรักษาไว้ก็เป็นอันว่าที่พูดพูดมานี่ก็คือความหมายของพระภิกษุนหรือความเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชในพุทธศาสนานซึ่งไปสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของาศาสนาอย่างที่กล่าวมา ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าทรงมีประสบการณ์เรื่องของนักบวชต่างๆมามากมายแล้วก็ต้องการที่จะนําคนให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งขั้นนี้ยากต้องยอมรับความจริงไว้ยากนะเพราะมันเป็นขั้นที่ว่ามนุษย์จะต้องมีความเพียรในการที่จะยอมรับธรรมชาติตัวเองที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาเราจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการที่ฝึกฝนพัฒนาแต่มนุษย์มักจะ พอใจในการที่ว่าจะได้มีสิ่งที่ปลอบประโลมใจอยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตัวเองก็จะไม่ต้องหนักต้องเหนื่อยใช่ไก็เลยหวังพึ่งสิ่งอื่นมีอะไรมาช่วยให้หวังพึ่งได้มีความหวังได้ปลอบประโลมใจได้ก็สบายใจก็เอาความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทนอนรอผลอะไรต่างๆไม่พัฒนาตัวเองซึ่งเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากในสังคมไทยปัจจุบันด้วย ว่าจะแก้ได้อย่างไรพระจะทําได้ไหมจะสามารถมาปฏิบัติตามหลักการพุทธศาสนาเพื่อนําประชาชนให้ก้าวต่อไปได้หรือไม่ตอยได้ยินนะว่าพระพุท้าที่ก็แปลมนมว่าเห็นภายในสังสารวัฏเหมือนกันเห็นภายในสังสารวัฏก็อันเมื่อกี้ไงเห็นภายในสังขารอันนี้ในไอ็ภายในสังขารนี่ตรงกว่าด้วยคือ สันชัยกว่าสังขารเรพยายาอิคติติภิคนะุคือความหมายมีหลายอย่างก็ทวนอีกทีว่าผู้ขอผู้คลองผ้าขาดขา ด, ขาดวิ่น ว, นวินเป็นเศษนะแล้วก็ผู้เห็นภายในสังขารแล้วก็ผู้ทำลายกิเลสจนะนเห็นภายในสังสารวัฏก็ได้ นะก็บางคำภีก็เอาอันนี้ก็เป็นการยักเยืงพวกสับเหล่านี้ถ้าโบราณอาจารย์ทัานก็ยักเยืงไปได้หาธ า, าตุหาอะไรแต่อะไรมาแปรรูปสับนะีเล่นสับกันก็มีบางทีในคำภีอภิธานปฏิปิกาก็จะให้ความหมายสี่อันนี้นะที่ว่าสังขารพยังอิคตีติพิกุพิษุคือผู้เห็นภายในสังขารน่กนะ็นะนะ ควมพีรุ่นหลังนะฮนะก็ถึงเห็นภายในสังสารกันใช่ได้สังสารีก็อยากยืงไปอีกนิดหนึ่งมันก็อยู่ในเ <ใน S 2> พศ <est S 1> เดียวกั น, นไปไงมุมแล้วก็เป็นเรื่องของสับแสงบางทีสับเนี่ยสมัยหนึ่งเดิมที่คิดเอามาใช้เนี่ยมันมีความหมายอย่างหนึ่งต่อไปมีวัฒนาการไอ้ความหมายที่แท้จริงเปลี่ยนไปแล้วเนีซ้ําความหมายตามรูปสับเดิมได้ใช้ไม่ได้นี เหมือนอย่างคำนี้อย่างฝรั่งก็คําว่าอะตอมนี้ใช่ไหมอะตอมแบบปรมาณูเนี่ยเดิมนี่เขาคิดว่าไอเจ้าปรมาณูเนี่ยมันผ่าตัดมันแยกอีกไม่ได้แล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าอะตอมอะตอมแปลว่าแยกอีกไม่ได้แล้วนีต่อมาปรากฏว่าเจ้าอะตอมนี่แยกได้ใช่ไหมแต่มันก็เรียกไปแล้วมันก็เรียกอะตอมเดนิมันก็เรียกอยู่ถ้าไปเถียงกันเรื่องศัพท์ก็ใช้ไม่ได้คุณมันเรียกได้อะตอมยังไงใช่ไหม ก็ถ้าไปเถียงงี้มันก็กลายเป็นว่าเรานี่ไปยุ่งไม่เข้าเรื่องอีกใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของศัพท์นีศัพท์ศัพท์ก็เป็นศัพท์เป็นเรื่องเขาภาษาต้องเข้าใจเท่าทันบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นมาในอดีตกลายไปว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมาในทางความคิดหรือวิวัฒนาการของสิ่งนั้นท่านั้นเองแปลว่าศัพท์อภิคุณนี้ถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงว่าอ๋อก็เป็นชีวิตนักมวช นักบวชประเภทหนึ่ง เ, เขาเรียกว่าภิกษุมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้ า, าก็ส่งเลือกศัพ์นี้มาใช้เรียกนักบวชบรรพชิตที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นภิกษุก็ต้องเลือกเอาศัพ์ใดศั์หนึ่งศัพ์นั้นอาจจะสื่อความหมายที่ประชาชนเข้าใจได้ดีที่สุดในบรรดาศับที่มีอยู่ แต่ก็ถึงยังไงมันก็ไม่ได้ความหมายที่พระองค์ต้องการแหละเพราะว่าที่เขามีนั้นมันไม่ตรงใช่ไหมคือไม่ตรงกับที่พระองค์ทรงพระประสงค์แน่นอนเพราะว่าถ้าพระองค์รทรงเห็นด้วยพระองค์ก็ไม่ต้องตั้งพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยแล้วนะก็มีพระภิกษุในพุทธศาสนาความหมายนี้มันจะไม่เหมือนของเดิมแต่ว่าเพื่อสื่อกับประชาชนก็ต้องอาศัยถ้อยคําภาษาก็ต้องไปเลือกเอาคําที่สื่อดีที่สุด ใกล้เคียงที่สุดแล้วพระองค์ก็มาสร้างความหมายให้แก่ศัพ์นี้ต่อไปใช่ไหมด้วยหลักการของพุทธศาสนาอันนี้เรื่องศัพ์ก็อย่าไปติดไปยึดอะไ ร, รไหน เ, เห ร, ร, ร, รื่องของอ๋ออันนี้เป็นความรู้ซึ่งเป็นความรู้ชาทางเชิงภาษาศาสตร์บ้างเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์บ้างอะไรงี้นะมันได้ประโยชน์ยังนะ สังขารมืพืบอกว่าเป็นผู้มองเห็นภายในสัง ส, งสงารวาัจริงจริ ง, รงดาลีมาทำให้อ๋อในอภิธานะปฏิปิกาสูจินีนใช้สังขารเรพสสังขารเรยังอิคติติภิกขุเชื่อภิกษุเพราะเห็นภายในสังขา ร, แ, รแต่ทีนี้ไม่จาเป็นเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับคำพีนี้คำพีอื่นก็อาจจะให้ตัวหน้าเปลี่ยนไป เป็นสังสาเรก็ได้สังสาเรพยังอิคติติภิกขุก็แปลว่าเชื่อภิกษุเพราะเห็นภายในสังสารนในสังสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะาไอตัวศัพท์มันอยู่ที่พยังอิคติติพยังก็ตัวพอมาและพยังอิคติติอิขะมาแล้วเป็นภิกขะแล้วใช่แล้วก็เติบเขาเรียกว่าปัจใจเข้าไปเป็นภิกข u ทีนี้ไอตัว สังขารเรก็ตามสังสารเรก็ตามก็เป็นตัวประกอบใช่ไหมกนะ็เห็นไผ่ในเห็นภัยในอะไรเพราะตัวศัพท์มันได้เต็มแค่พยังอิคติเท่านั้นเห็นภผ่เท่านั้นเลยใช่ไหมดังนั้จะต้องถามว่าเห็นภัยในอะไรก็เติมศัพท์นี้เข้ามาข้างหน้าแต่จะเห็นว่าตัวสังขารก็ดีหรือสังสารหรือสงสารก็ดีเนี่ยไม่มีตัวอักษรใดติดเข้าไปอยู่ในคําว่ิพุตรเลยใช่ไหมไอตัวที่ไปก็คือตัวพยังตัวพอสัมเพาเข้าไปแล้วก็อิคติติ อิขะเข้าไปเป็นพิกขุหรืออย่างหรื อ, อย่างคำว่าพิกติติภิกขุอันนั้นตัวพิขะเป็นกิริยาในภาษาบาลีเขาเรียกว่าธาตุแปลว่าขออยู่แล้วอันนั้นง่ายที่สุดพิกติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขออันนี้ก็ยังมีว่าชินนะพินนะปะตะธโรแปลว่าผู้คลองผ้าที่ขาดขาดวิตวิต นอันนี้มีความหมายหนึ่งก็มาจากคำว่าพินนะนีะิกุมาจากพินนะ <c oughs> หรือว่าอะไรกิเลสเสพพินทติติพิกุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสก็อย่าไปยุ่งเลยเรื่องความหมายเชิงศับอันนี้เป็นประดับความรู้นะคือท่านก็ไม่ให้ติดอยู่แล้ว อันนี้ทำให้เราได้แง่มุมที่จะมาพูดกันแล้วก็สื่อความหมายอาจจะไปใช้ประโยชน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นในการสนทนาเลยใช่ไหอย่าไปติดเนี่ยเรื่องมีเวลามีพิธีต่างๆมีข้าพิสูจน์วยมุนให้พรอะไตองอะไรแล้วเนี่ยเราจะเห็นทีพิธีผ่านกันอูทีนี้ถ้าจุกุนบอกว่าจริงๆเนี่ยุูย้แง่ของ ที่การต่างๆเหล่นี้เนี่ยนะคะที่เรามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็พวกเราจะแง่งความดูดค้มกัให้เกิดการประสานคระหว่างความเชื่อและรับที่ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาวิเคราะห์ดูจริงการที่เราประสานโดยที่ไม่มีสารคนเริ่มอยาสารลัเนี่ยมนได้ผลไม่เกนไม่ได้ไม่คงไม่คงเม่อเาห็นเมอเราเห็นทีวีบอกวีที่ดีาเราก็เมีความรู้สึกว่า แล้วก็กกพระก็เป็นสื่อการออำนาจเล่นลับในเท พ, พเจ้าหรืออะไรสยศาสตร์รอะไรพวกนั้นที่นี้คำถามของเราต่อไปกคนว่าอันนี้เป็นข้อที่เราเห็นผลแล้วทำไมเราไม่กลับพิธีคราวหไม่ก็นี่เป็นเรื่องของราชาสำนักคือเดิมราชาสานักนี่ สายพราหมีที่ผลมากศาสนาพราหมีที่ผลในสังคมไทยอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วยแต่กวัฒนธรรมถ้าเร า, าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่พัฒนาคือตัดทิบ้างเนี่ยเมื่อสาระมันหายไปแล้วเนี่ยคนอยากจะได้จับสาระกลเลยก่ยอนการนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางบุคคลผู้มีความรับผิดชอบร่วมในสังคมนี้จะต้องมาช่วยถกเถียงและใช่ไหม อันนี้ว่าใครจะไปพูดธรรมให้เกิดผลนี้อย่างน้อยต้องเข้าใจหลักการก่อนทีนี้ในราชาสำนักของเราเนี่ยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีมากโดยเฉพาะอายุธยาที่มาจากสายขอมอาณาจักรขอมนั้นเป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาแบบมหายานพุทธศาสนามหายานกับฮินดูก็แข่งกันมาในพุทธศาสนาเถรวาทนี้เข้ามาในหมู่ประชาชน แล้วต่อมาอาณาจักรหอมล่มสลายศูนย์กลางอํานาจหมดไปทีนี้ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธมหายานเนี่ยอยู่กับราชสำนักอยู่กับศูนย์กลางอํานาจพอศูนย์กลางอํานาจล่มศาสนาฮินดูกับพุทธมหายานก็นล่มไปด้วยส่วนพุทธศาสนาเทราวาต น, นั้นไปอยู่ในหมู่ประชาชนเพราะฉะนั้นก็เมื่อ เมืองหลวงราชาสำนักล่มสลายไปพุทธศ า, าสนาเทวาชก็ไม่มีอันตรายอันนี้เป็นเรื่องเดิมทีนี้ตอนหลังนี้ในเมื่อทางราชาสำนักเนนนับถือศาสนาเก่าคือพราหมณ์ฮินดูอยู่แม้ว่าขอมจะล่มสลายแล้วแต่อิทธิพลขอมนี่มากวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่ครอบงามหมดราชาสำนักไทยโดยเฉพาะยุธยาก็ได้รับอิทธิพล ศาสนาพราหมมากมีปุโรหิตอะไรต่างๆมีพิธีกรรมมีไอ้เรื่องของหลักกฎหมายอะไรต่างๆการลงโทษอะไรต่างๆตามแนวศาสนาพรามหม่มนั้นศาสนาพราหม์ก็อยู่ในราชสำนักตลอดมามีพราหมณบจําราชสำนักอันนี้ว่าพุทธศาสนาเป็นของประชาชนและกษัตริย์บางพระองค์ก็นับถือหรือนับถือไปด้วยกันและอิทธิพลของประชาชนก็มาก เพราะนั้นก็พุทธศาสนาก็เข้ามาสู่ราชสำนักด้วยนะก็เลยคู่กันมาเพราะนั้นเราอาจจะมองไม่ได้ในแง่ว่าคล้ายๆว่าเอาพุทธแบบทำไมเป็นพุทธทําไมไม่จัดการให้เป็นพุทธซะให้หมดเลยเพราะที่จริงแล้วอิทธิพลพราหมณ์เขาลงลึกมากแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของ ด้านพระราชาอำนาจเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะาศาสนาพราหมณ์นี่เขาเอากันหนักๆเรื่องการลงโทษอะไรต่างๆนี่พุทธศาสนานี่ไม่มีบทลงโทษแบบนั้นนะาศาสนาพราหมณ์นี่เขาลงโทษกันฆ่ากันเอาตายอะไรต่างๆได้ใช่ไหมพุทธศาสนาเราเป็นาศาสนาที่ไม่นิยมการเบียดเบียนจะมาหาเอาหลักพุทธศาสนาบทบัญญัติไปเรื่องลงโทษนี่เอาจากพุทธศาสนามันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นนะนะจ้ข้ามันยังบอกมา เอางั้นี่มันกําลังพูดถึงว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นหลักมาแต่เดิมนี่ก็หมายความว่าเราต้องยอมรับวัาสนาพรามเขาอยู่เขามาตลอดดีเขาไม่กำจัดเราไปใชนี่เป็นเรื่องของสังคมไทยนี่จะอยากเป็นพุทธแค่ไหนล่ะสังคมไทยอาจจะไม่อยากเป็นพุทธก็ได้นะถ้าถ้าว่าเป็นตามหลักของราชการระบบกษัตริย์จะต้องใช้พร ะ, ะราชอำนะาจใช่คเป็นฐานในการรักษาระบบให้อยู่ แต่ว่าจริงๆง่รคื อ, อืองความเมตตาต่างใช่จริงแต่ว่าทีนี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่จะบำเพ็ญทำได้ถึงขนาดนั้นก็หายากอยู่นะเลยพอนว่าารปัญญ <c oughs> าจริงๆพีอ น, นี้คจะต้องของาก็อย่างรัชกาลที่สี่ก็ทรงนำเข้ามางเช่นอายกตัวอย่างพิธีพืชชมงคลแรกนาขวัญเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีแต่พิธีพราหม์อย่างเดียวนะ มีพรามเท่านั้นเลยแล้วรัชกาลที่สี่ก็เพิ่มพิธีพุทธเข้าไปมิมนพระเข้าไปสวดจเจริญพุทธมนตเรียกว่าเป็นพิธีพืชมงคลเดิมมีแต่พิธีอะไรแร่งนาขวัญเนื อ, อะไรนั่นก็เลยเกิดมีพุทธกับพรามคู่กันอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของรัฐเหมือนกันที่จะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเข้าไปแต่อย่างเรื่องตัวบทกฎหมายอย่างกฎหมายไทยก็เอาแบบมาจาก มนูธรรมศาสตร์กฎหมายของฮินดูดนี้มนูษธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่เบานะเลยเช่นอย่างแต่ว่าพุทธเราเราก็เลือกเอามาเราไม่ใช้หมดมนูธรรมศาสตร์นี่ก็ระบบวันณนะอย่างที่ธรรมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเขาจะบัญญัติไว้เช่นว่าคนวันณะสูตรมาฟังสาธยายพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมั น, นถ้ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสีย ถ้ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองสิ่นี่นี่มนุษธรรมศาสตร์ไหนอ้าวก็าศาสนาพราหมณ์เขาแยกคนเป็นชั้นวันณะนี่ใช่ไก็ต้องผูกขาดการศึกษาผูกขาดคัมภีร์พระเวทคือว่าพราหมณ์เขาจะได้รักษาสถานะเขาไว้ได้พราหมณ์เขาเป็นวันณะสูงเขาบอกเขาเนี่ยแหละเป็นเกิดจากปากพระพรหม คือคนเราในี่ในอินเดียนี่เขาแบ่งเป็นวันณนะเกิดมาในวันณนะไหนก็ต้องอยู่ในวัน น, ะนั้นตลอดชาติไม่มีทางเปลี่ยนได้แล้วมีสิทธิมีการดําเนินชีวิตตามบัญญัติของาศาสนาเนี่ยนะอันนี้คนวันนะพรามณก็มีอภิสิทธิ์สูงสุดเป็นที่เคารพโดยชาติกําเนิดเกิดมาก็เป็นผู้ประเสริฐทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็มาจัดบอกว่ามันไม่ได้เป็นพรามเพราะชายกาเนิดแล้วแกประพฤติมาดีแกเป็นคนถ่อยว่างกันนะว่าเอาแรงๆวางกันนะ เนี่ยทีนี้สอนัระพรามเขาบัญญัติไว้เข้มหมดนะอย่างวันนสูตรเขาก็ไม่ให้มีสิทธิ์เรียนเลยเพราะถ้าเรียนคำพีพระเวทเกิดมีปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งนะฮไปเรียนก็โดนลงโทษเลยใช่ไหมไปป ม, ม, มันไม่ใช่แค่ปกครองอะฮะรักษานะด้วยผลประโยชน์ด้วยนะฮะแต่แต่ันเป็นการจิตใจมากนะอย่าง เคยทำพิธีออล็อกอกขายทอดเขทั่วประเทศนี่มันมีที่คนทด้า น, นจิตใจรงนี้น่าจะจิที่นี่คือข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่คือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าใจเข้าใจหลักการแล้วก็รู้จักโยงเข้ามาสู่แนวทางของพุทธศาสนาที่จะดึงคนขึ้นอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าศา ส, สนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วถ้าเราใช้คําว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มีสองแบบคือยึดเหนี่ยวแล้วเหนี่ยวแล้วดึงลงก็นเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นนิาสนาจํานวนมากเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหนี่ยวแล้วดึงลงจมเลยอยู่นั่นแหละทีนี้ก็หลงจมอยู่ในโมหะความรุ่มหลงง ม, มงายความเพลิดเพลินปลอบใจตัวเองประมาทไม่พัฒนาใช่ไหมทีนี้พุทธศาสนาถ้าเราจะใช้เป็นที่เหนี่ยวเป็นที่เกาะ ก็ต <muitas> <arias> ่อหมายความว่าเนียวเกาะแล้วดึงขึ้นพอให้เขาได้ที่เกาะมีหลักยึดแล้วทีนี้เราก็ถือโอกาสนําเขาขึ้นไปให้พัฒนาในศีลสมาธิปัญญาเนีให้พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจเรื่องปัญญามก็ดีงามขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าเราไม่ดึงขึ้นแกก็จมอยู่นั่นแหละอยู่ด้วยความหวังในอํานาจเล่นลับบนบนบรรดาจะมาช่วย ข้อสำคัญก็อย่างที่ว่าไม่ทำการในความเพียรไม่ฝึกฝนพัฒนาตนไม่เรียนรู้การแก้ปัญหาตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้ล่วงไปงอมืองอเท้าอยู่ด้วยการรอคอยแล้วก็ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นภายนอกไม่เป็นอิสระกับตนเองพึ่งตนเองไม่ได้ใช่นี่หลักการสำคัญเนี่ยที่มันเสีย อันนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเรื่องนี้ก็จะพูดกันอยู่แล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยในวันนี้เราต้องการพูดในแง่ของความหมายของความเป็นพระชนนิแต่ตอนนี้มันฑิตจะงอกเป็นเรื่องอื่นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดนะพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเทวดาไม่ปฏิเสธศย์ศาสตร์แต่เรามีหลักการชัดเจนเลยว่าไม่ต้องหมดเถียงคุณเถียงกันพันปีคุณตกลงก็ไม่ได้ ห้าพันปีก็ตกลงกันมาได้เทวดามีไม่มีศยศาสตร์เป็นจริงไหมริดปาฏิหาริเป็นจริงไหมมันพลุพลุพ ล, ล, ลแล้วโมไปเถียงแล้วไปรอว่าพิสูจน์ซะก่อนแล้วจึงมาประพฤติธปฏิบัติได้พุทธศาสนาไม่ต้องไปรอเรามีท่าทีที่ชัดเจนอยู่แล้วเทวดามีก็มีไปศยศาสตร์มีก็ ม, กมีไปริดเป็นจริงกับเป็นจริงไปแต่เราไม่หวังพึ่งวังนัน่นี่พุทธศาสนามันเด็ดขาดตรงนี้ชัดเจนถ้าไม่ต้องรอเสียเวลาล่ะ แล้วก็ไปพราบว่าพะวงบางคนก็เลยเอ๊เอ๊เราต้องรอถ้ามันจริงๆเราก็เอาสิอะไรอย่างี้ยนะฮะใช่ไหมลักษณะนี้ที่เข้าลักนะอัพยากตะปัญหาหรล่าก็อัพยากะตปาากะตปัญหาจะเป็นปัญหาที่ลึกลงไปถึงสิ่งที่มีหรือไม่มีที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวธรรมอะไรพวกนั้นะอัตตาอะไรพวกนั้นนะแต่ก็จะจัดเข้าก็ได้คล้ายๆว่าอยู่ในประเภทที่ว่า แต่พระพทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าไม่ไมม่่ไได้ทรงไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ไม่พยากรเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าว่าไปตามที่ว่ามาเลยนับถือไม่ไม่ไม่ได้ไปปฏิเสธเพราะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนี้นะอย่างเรื่องเทวดานี่พระเจ้าตรัสวิธีเลยให้อยู่ด้วยกันในเมตตาแผ่เมตตาเทวดาทําบุญวุฒิเถิดเทวดาด้วยนะ จ, จะเจริญพุทธมนตรสายทายพระธรรมเชิญเทวดามาฟังด้วยเทวดาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาตนเองใช่ไหมแต่เรามีท่าทีที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าไม่เป็นบัวหวังพึ่งรอคอยอำนาจโดนบรรดาจากเทพเจ้าใช่ไหมอันเนี้ยเป็นตัวที่เด็ดขาดมีไม่มีเราไม่ต้องรอแล้วนะไอ้จุดเนี้ที่ทําไงจะให้ชาวพุทธได้นะในเรื่องพรมีไม่มีก็ไม่เอาเลยพรมีไม่มีก็ไม่หวังพึ่งว่างั้นนะ ทางพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นคือพี่แต่ต้องชี้ให้เขาเห็นโทษว่าเพราะอะไรจึงไม่ให้ไปหมหวังพึ่งใช่ไหมเพราะหวังพึ่งแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียคุณได้เราไม่ปฏิเสธได้ความปลอบประโลมใจสบายใจเหมือนได้ยากล่อมสบายไปโช่วคราวเป็นนอนฝันหวานแต่ว่าคุณจะสูญเสียลงทุนไม่คุ้มอะไรที่จะสูญเสียนะ คุณจะตกอยู่ในความประมาทคุณจะไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้พัฒนาตัวเองนะทั้งชีวิตส่วนตนทั้งสังคมนี้ผลเสียมีไปด้วยกันหมดมันไม่คุ้มนะมันเป็นการลงทุนที่มากเกินไปนะคุณอาจจะสูญเสียชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยลโดยที่เหมือนกับยกชีวิตของเราไปให้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมนะและก็คือการทาลายคุณค่าที่ชีวิตจะพึงได้ทั้งหมด ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจได้ปัญญาตอนนี้กระแสะโฆษณาที่ทันสมัยที่สุดไม่เชื่อแต่อย่างลบเลยก็เลยพูดเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้ลบหลูแต่เราจะลบล้าง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันแรงไปก็ <c oughs> ไม่ได้พูดอย่างนี้แหละ <c oughs> คือว่าพูดเล่นพูดเป็นสำนวน <c oughs> ลบล้างก็คือลบล้างความเชื่อที่ผิด <c oughs> ลบล้างความเชื่อที่ผิดพลาดต้องการให้เขาเรียนรู้เราจะพูดให้เบาลงว่า ไม่ลบหลู่แต่ต้องการให้คุณเรียนรู้นะแล้วก็เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมคือเราไม่ได้เป็นโมนถกเถียงมีไม่มีเพื่อจะเอาชนะอะไรกันเนี่ยเราต้องการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามสังคมที่ดีงามเพราะเราเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอันตรายมากถ้ามัวมาหมกมุ่นกันอยู่หลงจมอยู่แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่นีด้วยว่าโดยมาก จะไม่ค่อยชัดกันในเรื่องเหตุผลว่าแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มาหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยจุด ท, ที่ไม่ชัดเนี่ยมันทําให้คนไปอยู่แค่ทางเลือกสองแพร่งระหว่างจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมมันไม่เห็นตัวเหตุผลแล้วไปเถียงกันอยู่แค่มีไม่มีจริงไม่จริงอันนี้ก็เลยเสียเวลามาก